บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระพุทธคุณบทต่อไปนั้นคือข้อว่าสัทธาเดวะมนุษยานังซึ่งแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในชั้นของการบริกรรมภาวนาคือนำเอาพระพุทธคุณบทนี้มาบริกรรมนั้นท่านแนะว่าให้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอิติปิโสปกวาสทธาเดวมนุษย์นังซึ่งแปลเป็นใจความว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกำหนดระลึก เพื่อให้จิตมีความสงบอยู่ที่พระพุทธคุณบทนี้ย่อมมีผลในการเปลี่ยนแปลงให้จิตใจเกิดความสงบไปโดยลำดับเช่นเดียวกับที่เจริญกรรมฐานข้ออื่นๆแต่ในชั้นของการพินิจพิจารณาเพื่อให้เกิด ส, าสาธาปสาทะสูงขึ้นภายในจิตใจและได้หลัก ในการที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตตามรอยบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเพื่อสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจนั้นจำต้องศึกษาสัมทำความเข้าใจในัยยะแห่งพระพุทธคุณบทนี้โดยกว้างขวางสามารถนึกคิดได้กว้างขวางมากเท่าไร่ ความเชื่อความเลื่อมใสก็จะปรากฏเด่นขึ้นภายในจิตของบุคคลมากเท่านั้นคำว่าสัตานั้นเราแปลกันว่ า, าศาสดาบ้างแปลกันว่าครูบ้างแท้ที่จริงคำนี้เป็นคำที่ใช้มาก่อนสมัยพุทธกาลเป็นคำซึ่งเขาใช้เรียกหัวหน้ากองเกวียนเรียกว่าสัตถวาหะ ในสมัยโบราณนั้นการค้าขายส่วนมากก็จะเป็นค้าขายแบบกองคารวานนายกองเกวียนมีความสําคัญมากในการค้าขายแต่ละครั้งนายกองเกวียนคนใดที่สามารถนำบริวารของตนไปสู่แหล่งที่ค้าขายและกลับมาได้โดยสวัสดีนั้นถือว่าเป็นยอดของนายกองเกวียน ด้าในการค้าขายนั้นบางครั้งบา ง, บางคราวก็ต้องข้ามทะเลทรายบ้างข้ามอ้วนหนองคลองบึงและป่าดงดิบเป็นต้นบ้างอันตรายบนเส้นทางนั้นมีอยู่เป็นนั้นมากแต่ถ้าหากว่านายกองเกวียนแก้ไขอันตรายเหล่านั้นได้ก็แสดงถึงความสามารถดีเด่นของบุคคลผู้นั้นพระผุมีพระภาคเจ้า ที่ทรงได้ชื่อว่าสาัทธาหรือสัตถุหรือศัตว์หะก็เพระเหตุว่าทรงเป็นผู้นําประชาสัตย์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากชาติกันดานพยาธิกันดานมรณะกันดานและชรากันดานเป็นต้นคือคนเราที่เกิดมาในโลกนั้นต้องประสบสถานที่ที่การดาน หรือสภาวะที่กันดานเช่นความเกิดเป็นต้นต่อมาก็ประสบความแก่ความเจ็บไข้จนถึงกับความตายในที่สุดและช่วงจากเกิดถึงช่วงตายก็ต้องประสบความกันดานอีกเป็นอันมากแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นำบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นให้ข้ามกันดานเหล่านั้นไปได้จนถึงข้ามพ้นสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถือว่าเป็นกันดานที่ยิ่งใหญ่ให้บรรลุความสุขในชั้นนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติจนถึงหลุดพ้นไปเลยดังนั้นจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าเป็นศรัทธาคือเป็นผู้นำหมู่ประชาว์ให้ข้ามพ้นความทุกข์ในชีวิต และความทุกข์ในสังสารวัฏนั่นเองประเด็นสำคัญของการเป็นสถาคือเป็นาศาสดาของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ความคิดซึ่งเกิดขึ้นโดยชอบภายในพระทัยของพระองค์ตั้งแต่เริ่มเห็นประชาศาสตร์ทั้งหลายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนนาณาประการ เห็นฐานะของพระพุทธเจ้าว่าสามารถจะช่วยหรือขนสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชนั้นนั้นๆได้จนถึงก็หลุดพ้นความทุกข์ในสังสารวัฏจึงมีพระปณิธานนั้นแน่ๆในการที่จะช่วยช่วยรือขนสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์แบบพระพุทธเจ้าพระปณิธานเหล่านี้ได้เกิดขึ้น ในขณะที่พระองค์เองมีบารมีมากพอที่จะออกบวชในพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญเพียรบรรลุอรหัตได้แต่เพราะภายในพระไทยที่มากด้วยกรุณนาซึ่งท่านใช้คำว่ามีอัธยาศัยใหญ่คือมีความรักมีความกรุณาต่อประชาชน ท, ท่วมทน้นจึงยอมสลั อรหัตคุณที่ท่านกำลังจะได้เหล่านั้นเสียแล้วเริ่มตั้งความปรารถนาบำเพ็ญเพียรเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างสมอบรมบา ร, รมีมาเป็นอันมากก้อ น, นี้พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ว่าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก ได้บำเพ็ญบารมีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้จัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ขออุปวัตขออันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านดังนี้ ซึ่งเป็นคาถาที่ใช้สูตรกันในมงคลสมัยต่างๆและในชาติที่เป็นเจ้าชายจิทัตานั้นมีจุดเด่นในการเปลี่ยนแปลงฐานะของพระองค์ที่ควรแก่การสนใจและเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติอยู่ประเด็นหนึ่งคือในข้อที่เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความทุกข์ซึ่งครอบงำสัตว์โลกอยู่ และไม่เว้นแม้แต่พระองค์เองนั้นแนวความคิดซึ่งมีอยู่เดิมนอนเนื่องอยู่ภายในประทไทยที่เรียกว่าเป็นบา ร, รมีธรรมนั้น <c oughs> ก็ได้หนุนให้พระองค์คิดที่จะช่วยฤๅือขนสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นการปรารถนาฐานะของผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เสียก่อนแล้ว จึงกลับมาช่วยบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์อีกต่อไปแต่ว่าเมื่อตรวจสอบพระคุณสมบัติภ า, ายในของพระองค์ที่จะทำงานใหญ่เช่นนั้นปรากฏว่าพระคุณสมบัติเหล่านั้นยังไม่มีจึงวิเคราะห์ลงไปว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะมีได้ด้วยวิธีอย่างไร เมื่อแยกจะศึกษาค้นควาแล้วก็กําหนดอบเพศนักบวดเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นก็ศึกษาขวนขวายเพื่อสร้างคุณสมบัติของผู้จะเป็นศาสดาหแห่งโลกให้บังเกิดขึ้นซะก่อนและด้วยความเพียรพยายามอย่างที่ทราบกันในที่สุดก็ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าและในฐานะของศาสดา ผู้จะนำประชาสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชาตนั้นๆได้ทรงตรวจสอบถึงอัตยาสัยบา ร, รมีอินทรีย์และพื้นฐานในด้านต่างๆของสัตว์โลกแล้วทรงเห็นว่าการที่จะช่วยคนให้บรรลุคุณในธรรมเบื้องสูงนั้นทุกคนไม่อาจที่จะสัมผัสได้เท่าเทียมกัน เพราะความแตกต่างการแห่งอินทรีย์เป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วจึงทรงกําหนดประโยชน์เอาไว้เป็นสามระดับด้วยกันและประประโยชน์เหล่านั้นเมื่อใครเริ่มต้นด้วยประโยชน์ใด <c oughs> ก็จะทำประโยชน์อีกสองอย่างให้สมบูรณ์ขึ้นมาและได้เกือ้อกูลแก่บุคคลอื่นในประโยชน์ดังนั้นด้วยในขณะเดียวกันประโยชน์แต่และชั้น จะเกือ้อกูลเตือปตัวประโยชน์นั่นเองด้วยเ่นบุคคลบำเพ็ญคุณธรรมในส่วนที่เป็นประโยชน์เบื้องต้นที่เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมิกะะประโยชน์ด้วยอาศัยสิ่งที่บุคคล น, นั้นได้ในปัจจุบันจะเกือ้อกูลให้สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าได้และตัวประโยชน์ในภายภาคหน้านั่นเองก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ บุคคลบำเพ็ญปรมามัดธประโยชน์ได้ด้วยเหตุนั้นบุคคลทั้งหลายที่เกิดสตาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์แลยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแห่งตนก็จะได้รับผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมะในชั้นนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติแห่งตน นัยแห่งพระพุทธคุณช่วงนี้จุดที่สำคัญที่ควรแก่การเพิ่มพูนศรัทธาภาษาธรรมและควรแก่การน้อมนำมาเป็นแนวในการประพฤติธปฏิบัติจะกล่าวถึงสองตอนด้วยกันคือตอนที่ทรงตั้งปณิธานที่จะช่วยสัตวโลกนั้นเป็นการแสดงถึงความกรุณาที่มีอยู่ภายในจิตใจอย่างสูง อุปมาเหมือนบุคคลที่แหวกไหาอยู่ในกระแสมหาสมุทรด้วยกันตนเองนั้นไหว้ใกล้กลับฝัง่งแล้วถ้าจะขึ้นฝั่งก็ได้แต่เมื่อหันกลับไปดูเห็นเพื่อนฝูงอีกเป็นนั้นมากยังกำลังแหวกว่ายอยู่และบางคนก็กำลังประสบอันตรายจากขึ้นบ้างจากน้ำบนบ้างจากสัตว์ไ ร, ร้ภายในมหาสมุทรเป็นต้นบ้าง จึงเกิดความสงสารแก่บุคคลเหล่านั้นย้อนกลับเข้าไปสู่กระแสมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยคนเหล่านั้นให้ขึ้นฝั่งโดยไม่ปลีกตนขึ้นฝั่งแต่ลำพังใครก็ตามที่กระทำได้ในลักษณะนี้จะต้องแสดงออกถึงความเสียสละอย่างสูงความรักมนุษยชาติอย่างสูงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทาไม่ได้ เพราะตามสัญชาตญาณพื้นฐานของสตัตว์วโลกนั้นจะมีการรักตนถนอมตนจนแสดงออกมาในรูปของความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตนกันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังภายในสังคมมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าในยุคใดก็ตามถ้าหากว่าคนได้สลายความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไป ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูลทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นในยุคในสมัยเหล่านั้นความไม่เบียดเบียนกันความไม่มีเวรกันการไม่ประทุษรายกันการดำรงชีวิตอยู่โดยปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะแห่งบุคคล น, น, นั้นก็จะบางเกิดขึ้นสูงความสงบในสังคมก็จะปรากฏมากขึ้นดังนั้นการแสดงออก ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบการดําเนินชีวิตของมหาบุรุษที่ควรแก่การเสริมสร้างสถาปสาทะให้บังเกิดขึ้นเพราะบรรดาคนทั้งหลายนั้นคนที่มีลักษณะเด่นเช่นนี้เป็นหนึ่งในหลายหลายพันล้านด้วยกันแต่พระพุทธเจ้ากลับเป็นหนึ่งในหลายพันล้านเหล่านั้น พระองค์จึงชื่อว่าเป็นมหาบุรุษและเป็นประโพธิสัตว์อย่างที่ทราบกันประการต่อไปเรื่องในตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงปรารถนาจะช่วยสัตว์ตัวโลกแต่เมื่อศึกษาตรวจสอบดูคุณสมบัติที่จะทำงานใหญ่เช่นนั้นก็เห็นว่ายังไม่มีจึงสร้างขึ้นโดยนัยาที่กล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าแนวความคิดของบุคคลที่เกี่ยวกับความอยากความปรารถนาในฐานะนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่ามีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติขีความสามารถของตนเองที่จะเป็นในฐานะนั้ น, นเมื่อไม่ได้ด้วยคุณสมบัติ ก็จะหาวิธีในลักษณะรุนแรงเพื่อได้ฐานะเหล่านั้นความเดือดร้อนในส่วนต่างๆจึงได้บังเกิดขึ้นดังนั้นแม้คนเราจะมีตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากอยู่ภายในใจก็ตามแต่ถ้าหากว่าตัณหานั้นได้ถูกถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุผลด้วยคุณธรรมแล้วตัณหาก็คงจะเป็นแรงผลักดัน เสริมส่งให้บุคคลดำเนินไปในทางแข่งความเจริญได้และบุคคลยังต้องอาศัยแรงส่งของตันหาจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานไปอย่างที่ท่านแสดงว่าตันหัางนิสซายะตันห้าปะห้าตปาบุคคลพึงอาศัยตันหาเพื่อละตันหาตันหาจึงสามารถเป็นยานภาณะได้ในการข้ามฝากของบุคคล แต่เมื่อบุคคลจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งยานภาชนะเหล่านั้นถ้าหากว่ายังติดยานภาชนะอยู่ก็ขึ้นฝังไม่ได้แต่ถ้าหากว่าตัณหาไม่ถูกควบคุมไว้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะออกมาในโลกนอกลู่นอกทางสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นอย่างที่ปรากฏจะเห็นอยู่ในที่ทั่ ว, วไป ความปรารถนาฐานะของพระพุทธเจ้าทีา่จริงก็เป็นอาการของตัณหาอย่างอ่อนๆประการหนึ่งแต่ถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาและวารมีจึงมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตนเองเป็นเบื้องตน้นแทนที่จะไปวิเคราะห์ตรวจสอบที่บุคคลอื่นคือตรวจสอบดูฐานะคุณธรรมที่จะเป็นในตำแหน่งนั้นๆ เมื่อเห็นว่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นอะไรก็ต้องสร้างคุณสมบัติเพื่อให้มีเสียก่อนและคุณสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นด้วยการประกอบเหตุเพื่อการปรากฏแห่งคุณสมบัติเหล่านั้นเท่านั้นไม่มีการดนบันดาลหรือการประสิทธิ์ประสัดจากปจัจจัยภายนอกแต่ประการใดดังนั้นความเพียรพยายามของ พระโพธิสัตว์เพื่อการจัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นความเพียรพยายามแบบคนคนหนึ่งที่อาจจะมีทั้งผิดทั้งถูกมีการลองผิดลองถูกอยู่เรื่อยไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หลงงมงายไปกับสิ่งเหล่านั้นใช้ปัญญาพินิษพิจารณาไปเรื่อยแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย อะไรเป็นประโยชน์ในส่วนใดก็เอาเฉพาะส่วนนั้นและกำหนดส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เอาไว้และด้วยการประพฤติปฏิบัติไปในลักษณะนี้ทร <c oughs> งวิเคราะห์ตนเองอยู่ตลอดไปแม้ในชั้นของการบำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งได้รับสั่งเล่าไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมาก แสดงเห็นว่าความเพียรพยายามของพระองค์เป็นการกระทาของคนคนหนึ่งที่อาศัยบา ร, รมีสติปัญญาความเพียรพยายามเป็นหลักและการปฏิบัติของพระองค์จึงมีอยู่สามข้อด้วยกันคือความไม่ประมาทความเพียรได้เจตจำนงอันแนว่วแ น, วแนว่ที่จะบรรลุผลเหล่านั้นให้ได้ ธรรมะเหล่านี้ทรงใช้อยู่ตลอดไปแต่นั้นเวลาสั่งสอนผู้ปฏิบัติความเพียรทางจิตจึงใช้คำอยู่สามคำเหมือนกันแต่ใช้คำว่าอาตาปีสัมปชัโนสติปาซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเพียรที่เผากิเลสให้เล่าร้อนมีสัมปชัญญะและมีสติซึ่งในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้ว ก็คือคุณธรรมอันเดียวกันกับที่พระองค์ทรงใช้ในการสแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณเพราะความไม่ประมาทกับความมีสตินั้นเป็นอันเดียวกันความเพียรพยายามกับอาตาปีก็เป็นอันเดียวกันเจ็ดจำนวนอันแน่วแน่เป็นการรวมตัวของธรรมะทั้งสองข้อนั้นก็ให้เกิดปัญญาเป็นเครื่องปีนิดพิจารณา วิเคราะห์ในเชิงเหตุเชิงผลยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อพระไถ่ของพระองค์ไม่อาจจะสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายได้ก็จะมีการวิเคราะห์ที่พระไถยของพระองค์เองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อตรวจสอบอย่างลึกลงไปก็พบมูลเหตุทั้งหมดอยู่ที่พระไถยของพระองค์เองว่าพราะโทษของนิวรณ์แต่ละข้อนั้นยังมองเห็นไม่ประจักษ์ชัด ผลคือความสงบนิวร น, นั้นก็ยังไม่สัมผัสด้วยใจวิธีที่จะทําให้ได้ก็คือเพียรพยายามเพ่งพินิให้เห็นโทษของนิวรนประจกักษ์ชัดภายในจิตและเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้สัมผัส ผ, สผลของความสงบนิวรนให้สูงขึ้นแล้วในที่สุดจิตก็จะถ่ายถอนจากอํานาจของนิวรนหล่านั้นมาได้ เข้าสู่ทางแห่งความสงบไปโดยลำดับแม้ในเรื่องเราอื่นชั้นสูงสูงขึ้นไปก็ทรงธทมในลักษณะนี้ซึ่งแสดงเห็นว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนของความเพียรพยายามนั้นเป็นแบบของคนคนหนึ่งที่ใครก็ตามเมื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะประสบผลตามเส้นทางเดียวกับที่พระองค์ทรงประสบในขั้นนั้น การปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาของผู้ที่ปรารถนาฐานะนั้นๆจึงเป็นเรื่องจะต้องมีการวิเคราะห์ตนเองว่าความเป็นในฐานะนั้นนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติอะไรและคุณสมบัติเหล่านั้นเรามีแล้วหรื อ, อยังถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นแต่ให้เพียรพยายามสร้างขึ้นภายในตนของตนเอง ไมเหตุใดเพราะว่าตนเป็นคนปรารถนาฐานะเหล่านั้นก็ต้องสร้างคุณสมบัติเพื่อความเป็นในฐานะเหล่านั้นขึ้นที่ตนในเบื้องตน้นและเมื่อคุณสมบัติมีบริบูรณ์แล้วความเป็นเหล่านั้นในฐานะนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นเองโดยไม่จําเป็นจะต้องเรียกร้องอ้อนวอนหรือบวงสวงแต่ประการใดข้อนี้ก็เปรียบเหมือนการที่บุคคลปลูกพืช ชนิดใดชนิดหนึ่งลงในดินบุคคลได้ทำหน้าที่ของตนในขอบข่ายที่ตนจะกระทำได้เช่นการรดน้ำใส่ปุ๋ยกายจัดสิ่งที่เป็นอันต ร, รายต่อต้นพืชเหล่านั้นเป็นต้นและเมื่อการเวลามาถึงเข้าพืชก็จะออกดอกออกผลไปตามหน้าที่ของพืช เมื่อถึงคราวจะออกดอกออกผลแม้ว่าจะข้ามปรามขอร้องอย่างไรแม่ออกดอกออกผลพืชเหล่านั้นก็ต้องออกดอกออกผลตามธรรมดาการเพียรพยายามสร้างคุณสมบัติขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ปรารถนาฐานะคือความเป็นในชั้นนั้นก็เหมือนกันหน้าที่ของคนคือการสร้างคุณสมบัติขึ้นเมื่อคุณสมบัติเหล่านั้นมีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ความเป็นเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นเองซึ่งอาจจะอุปมาเหมือนการปรุงอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลใส่เครื่องปรุงตามสัดส่วนที่ได้กำหนดกันไว้และเมื่อใส่เครื่องปรุงเหล่านั้นครบถูกต้องตามสัดส่วนรสชาติของอาหารเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปกะเก์รอคอยหรือขอร้องแต่ประการใดแต่ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าบุคคลปรารถนารสชาติเหล่านั้นแต่ถ้าเครื่องปรุงมีส่วนบุคร่องไปจะต้องการเรียกร้องอย่างไรไอรสชาติที่ตนต้องการก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องเชี่เห็นว่าความเป็นในฐานะต่างๆที่บุคคลปรารถนาพอใจนั้นจะต้องอาศัยคุณสมบัติที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นก่อน และคุณสมบัตินั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามของบุคคลนั้นนั่นเองถ้าหากว่าดำเนินการประพฤติปฏิบัติไปตามเส้นทางสายนี้นะควความเป็นในฐานะนั้นนั้นก็จะบังเกิดขึ้นไม่ว่าทั้งฝ่ายที่เป็นโลกิยาหรือฝ่ายที่เป็นโลกุตระก็ตามประการสำคัญจึงอยู่ที่ว่าบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์ ที่ตนเองเป็นเบื้องต้นปรารถนาฐานะอะไรก็ต้องดูคุณสมบัติเพื่อความเป็นในฐานะนั้นๆถ้าหากว่ายังบกพร่องอยู่จะปรารถนาอย่างไรก็เป็นการสูญเปล่าเพราะผลเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นก่อนที่จะให้เกิดผลเหล่านั้นท่านจึงสอนให้เสริมสร้างคุณสมบัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสาง และการสร้างคุณสมบัติก็มีเช่นเดียวกันคือต้องไม่เล่งผลเลิอดจนเกินไปเพราะว่าคุณสมบัติที่สมบูรณ์นั้นเองจะทำให้ความเป็นในฐานะนั้นๆสมบูรณ์การตรวจสอบความผิดพลาดบกพร่องจึงต้องตรวจสอบที่คุณสมบัติที่บุคคลได้กระทำบาเพ็ญว่ามีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่แล้วก็พายา ย, ยามเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงใช ประสบผลสมเร็จมาแล้วและเมื่อกระทำได้เช่นนี้ผลก็จะเกิดขึ้นตามส ม, สมควรแก่การประพฤติปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติที่จะช่วยให้บรรดาประชาศาสตร์ทั้งหลายผู้ดำเนินตามรอยบาทของพระองค์ข้ามพ้นความทุกข์ในชั้นนั้น ตลอดถึงความทุกข์ในสังสารวัฏได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของศาสตร์ทั้งหลายต่อไปนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป